บทที่เตอนที่2ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานที่ประสบผลสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วก็ดีผู้ที่ดำเนินก้าวหน้ามาในทางที่ถูกจนถึงขั้นที่มองเห็นจุดหมายอยู่เบื้องหน้าแล้วและจะต้องบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายนั้นอย่างแน่นอนก็ดีท่านจัดเข้าสังกัดในกลุ่มชน ผู้เป็นสาวกที่แท้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสง์ดังข้อความในบทสวดสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโคดังนี้เป็นต้นมีคำเฉพาะสำหรับเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของท่านผู้เป็นสาวกที่แท้เหล่านี้อีกหลายคำคำที่ใช้กันทั่วไปและรู้จักกันมากที่สุดคงจะได้แก่คำว่าอาริยบุคคลหรือ พระอริยะซึ่งแปลว่าผู้เจริญบ้างท่านผู้ประเสริฐบ้างท่านผู้ไกลาจากข้าศึกคือกิเลสบ้างความจริงคําว่าอาริยบุคคลเป็นคําที่นิยมใช้สําหรับพูดถึงอย่างกว้างๆหรือกลุ่มๆไปไม่ระบุตัวหาใช่เป็นคําเฉพาะมาแต่เดิมไม่คาเดิมที่ท่านใช้เป็นศัพท์เฉพาะสําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลีได้แก่คําว่าทักกีไน หรือทักกินายะบุคคลอย่างไรก็ตามคำว่าทักกินายะบุคคลก็ดีอริยะบุคคลก็ดีล้วนเป็นคำเรียนศัพท์ในาศาสนาพราหมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติความหมายเสียใหม่เช่นเดียวกับศัพท์อื่นๆอีกเป็นอันมากเช่นพรมรามนหาตะกะเวตคูเป็นต้นคำว่าอริยะตรงกับสันสกฤตว่าอาริยะ เป็นชื่อเรียกเผ่าชนที่อพยพเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วและลุกไล่ชนเจ้าถิ่นเดิมให้ถอยร่นลงไปทางใต้และป่าเขาพวกอริยะหรืออารยะนี้เวลาเรียกเป็นเผ่าชนนิยมใช้ว่าพวกอาริยกะหรืออารยันพวกนี้ถือตัวว่าเป็นพวกเจริญและเหยียดชนเจ้าถิ่นเดิมลงว่าเป็นพวกมิละะ หรือเมเลชั่คือพวกคนเถื่อนคนดงคนดอยเป็นพวกทาตหรือทัศยุติต่อมาเมื่อพวกอริยะเข้าครอบครองถิ่นฐานมั่นคงและจัดหมู่ชนเข้าในระบบวัณณะลงตัวโดยให้พวกเจ้าถิ่นเดิมหรือพวกทาตเป็นวรณณะสูตรแล้วคําว่าอริยะหรืออารยะหรืออารยันก็หมายถึงชนสามวรรณะต้นคือกษัตริย์ พราหมณ์และแพทย์ส่วนพวกสูตรและคนทั้งหลายอื่นเป็นอนาระยะทั้งหมดการถืออย่างนี้เป็นเรื่องของชนชาติเป็นไปตามกำเนิดจะเลือกหรือแก้ไขไม่ได้ <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาพระองค์ได้ทรงสอนใหม่ว่าความเป็นอริยะหรืออาริยะไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัต และฝึกฝนอบรมให้มีขึ้นในจิตใจของบุคคลใครจะเกิดมาเป็นชนชาติใดวันณะไหนไม่สาคัญถ้าประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรมก็เป็นอริยะคืออารยชนทั้งนั้นใครไม่ประพฤติก็เป็นอนาริยะหรืออนารยชนทั้งสิน้นสัจธรรมก็ไม่ต้องเป็นของที่พวกพราหมณ์ผูกขาดโดยจำกัดตามคำสอนในคำภีพระเวทแต่เป็นความจรงิง ที่เป็นกลางมีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดานี้ผู้นั้นก็เป็นอริยะหรืออารยะโดยไม่จําเป็นต้องศึกษาพระเวทของพราหมณ์แต่ประการใดและเพราะการรู้สัจธรรมนี้ทําให้คนเป็นอริยะสัจธรรมนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัจเมื่อว่าตามหลักบุคคลที่จะเข้าใจอริยสัจ ก็คือท่านที่เป็นโซดาบันขึ้นไปดังนั้นคำว่าอริยะที่ใช้ในคำพีโดยทั่วไปจึงมีความหมายเท่ากับทักกินัยยะบุคคลที่จะกล่าวต่อไปและอริยะสัจสีบางคราวท่านก็เรียกว่าอริยธรรมหรืออาริยธรรมอย่างไรก็ตามคำว่าอริยธรรมหรืออาริยธรรมนี้ท่านไม่ได้จำกัดความหมายตายตัวแต่ยักเยื่องใช้ได้กับธรรมหลายหมวด บางที่ผ่อนลงหมายถึงกุศลกรรมบทสิบ้างศีลห้าบ้างก็มีซึ่งโดยหลักการก็ไม่ขัดกันแต่ประการใดเพราะผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้ถูกต้องตามความหมายอย่างแท้จริงโดยไม่กลายเป็นศิลปฏตปราะะมาตไปและรักษาศีลห้าได้มั่นคงยั่งยืนไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิตก็คือคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปในอัรถกถาทั้งหลาย เมื่ออธิบายคําว่าอริยะที่ใช้กับบุคคลมักอธิบายลงเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่บางแห่งก็สงวนสําหรับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวส่วนคําว่าอริยะที่ใช้เป็นคุณนามของข้อธรรมหรือการปฏิบัติมักมีความหมายเท่ากับคําว่าโลกุตระแต่ไม่ถึงกับแน่นอนตายตัวทีเดียว ข้ ท, ที่กล่าวมาเกี่ยวกับคำว่าอริยะพอสรุปได้ว่าแม้คำว่าอริยนี้จะมีความหมายกว้างสักหน่อยแต่ในกรณีที่ใช้เรียกบุคคลแล้วจะหมายถึงกลุ่มชนเดียวกับทักษินยะบุคคลเป็นพื้นคือหมายถึงท่านผู้พ้นจากภาวะปุถุชนและจัดเข้าในกลุ่มสาวกสงฆ์ที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าอริยสงฆ์ยิ่งในคมภีรุ่นอัตถกถาลงมาด้วยแล้ว ใช้อริยกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียวอีกอย่างหนึ่งคำว่าอริยนิยมใช้ในกรณีที่พูดถึงอย่างกว้างๆคลุมคุมโดยไมร่ระบุไม่แจกแจงระดับขั้นส่วนทักกิไนมักใช้ในกรณีระบุแบบเป็นสับเฉพาะในทางวิชาการดังนั้นในที่ทั่วไปจึงพบคำว่าอริยใช้ดาทไปมากกว่าคาว่าทักษิไนในที่สุด ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งให้มองอริยะหรืออารยชนในความหมายใหม่ซึ่งต่างจากที่พวกพราหมญญาติไว้เมื่อจับความหมายในแง่นี้ก็ลงข้อสรุปได้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเน้นความหมายในแง่สังคมว่าอริยะหรืออารยชนที่จะเป็นสมาชิกในสังคมใหม่คือชุมชนชาวพุทธนั้นเป็นอารยชน โดยอารยธรรมคือด้วยการดำเนินชีวิตตามมรรคาที่เรียกว่ามัชช at ิมาปฏิปทาเป็นผู้มีศีลธรรมที่เป็นไปตามเหตุผลบริสุทธิ์เพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีชีวิตร่วมกันที่สงบสุขเอื้อแก่ความเจริญงอกงามแห่งประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงตามลาดับทั้งแก่ตนและผู้อื่นทั้งนี้ไม่ใช่ศีลธรรม ที่ประพฤติตามคาบงการของเจ้าหน้าที่ผู้ผูกขาดศาสนาพูดล่อและขู่ด้วยผลตอบแทนแก่ผู้หวังประโยชน์ส่วนตัวในรูปต่างๆซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได้ต่างๆตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ผูกขาดศาสนานั้นๆดังเช่นศีลธรรมแบบพิธีบูชายันของพวกพราหมณ์เป็นตัวอย่าง